คือประเทศญี่ปุ่นนะมีบริษัทหนึ่งก็ใหญ่พอสมควรนะแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าพนักงานเนี่ยลาออกบ่อยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหม่นะของบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนนี่จนกระทั่งไม่นานมาเนี้ยพนักงานเนี่ยมักจะทํางานจนเกษียณเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เขามีค่านิยมคือจ้างงานตลอดชีพนะ ใครมาทํางานนี่เขาก็จะจ้างไปจนกระทั่งกเกษียณเลยประเภทว่าเอาให้ออกกลางคันนี่ไม่ค่อยมีอซึ่งก็ทําให้คนรู้สึกมีความมั่นคง <c oughs> แต่ว่าคนทํางานเนี่ยพอรู้ว่าจะอยู่ไปจนกเกษียณนี่ก็อาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่พอแก่ตัวก็ก็ไม่ค่อยว่าเรียกว่าเฉย ช, ชานะแต่บริษัทก็ให้ออกไม่ได้ตอนหลังนี่เขาก็เลยมี ค่านิยมหมายคือว่าไม่ผูกมัดละไม่ผูกมัดว่าจะจ้างงานตลอดชีวิตหรือจ้างงานจนเกษียณมันก็ทําให้พนักงานจํานวนไม่น้อยก็ก็ขาดความพักดีนะในบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าที่ไหนเนี่ยให้เงินเดือนดีกว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าเขาก็ไป้เก็ไม่อยู่บริษัทนี้เขาก็พยายามที่จะหาทางจูงใจ พนักงานด้วยหลายวิธีนะให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะหรือว่าให้สิทธิพิเศษแต่ก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สุดท้ายทำไงนะผู้บริหารนี่ก็ใช้วิธีที่ไม่เหมือนใครนะเอาแมวเนี่ยนะแมวที่น่ารักน่ารักเนี่ย มาบอบให้พนักงานทุกคนเนี่ยไปเลี้ยงช่วยไปเลี้ยงหน่อยนะแมวนี่มันก็น่ารักเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่ก็ชอบแมวอยู่แล้วโดยพระผู้หญิงเนี่ยก็ดีใจนะได้แมวได้แมวน่ารักไปเลี้ยงแต่มีเงื่อนไขนะว่าถ้าหากว่าใครจะออกเนี่ยต้องเอาแมวมาคืนปรกว่าได้ผลนะคนออกน้อยลงนะที่ออกน้อยลงเนี่ยก็ต้องเกี่ยวพันกับแมวมากเลย อัเป็นเพราะว่าพอเลี้ยงแมวแล้วมีแมวอยู่ที่บ้านมันช่วยทาให้หายเครียดแต่ก่อนทำงานหนักนะเครียดกลับมาบ้านนะมีแมวรออยู่มีแมวมาเล่นด้วยนะมันก็หายเครียดเรื่อยเป็นเพราะว่าเกิดความผูกพันในตัวแมวนะอุตส่าห์เลี้ยงมานะอยู่ด้วยกันมาเป็นปีหรือหกเดือนก็นแล้วแต่ นะบางทีเป็นเหมือนลูกบางทีเป็นเหมือนน้องนะจะคืนผู้บริหารบริษัทมันก็กระเลอยู่นะอยากจะเลี้ยงเอาไว้อยากจะอยู่เข้าไปนานๆนนก็เลยตัดสินใจไม่ออกเพราะถ้าออกเนี่ยก็ต้องคืนแมวนะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่น่าทึ่งนะขณะเดียวกันมันก็ช่อเห็นนะว่า ใอ้ความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยเช่นแมวเนี่ยมันก็มันก็มีความหมายต่อจิตใจผู้คนมากนะบางคนนี่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้ให้เงินเดือนดีกว่านะให้ผลตอบแทนดีกว่าหรืองานอาจจะเบาวกว่าแต่ว่าพอนึกถึงว่าจะต้องลาจากอำลาแมว ที่ตัวเองผูกพันมันนานเนี่ยก็เปลี่ยนใจนะยอมทํางานบริษัทเดิมที่เงินเดือนจะน้อยกว่างานจะหนักกว่าแต่ว่ามีความสุขใจนะสุขใจที่ได้เลี้ยงแมวสุขใจที่ได้อยู่กับแมวให้ความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นี่มันมันเหมือนรูปภาพมากนะบางทีมันก็สามารถจะทําให้เกิดปฏิหาริย์ได้ ประมาณสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะมันมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นหญิงสาวเนี่ยครอบครัวนี้ก็ร่ำรวยมีฐานะมากนะเรียกว่าเกิดมาท่ามกลางกองเงินกองทองเลยทีเดียวแต่ว่ามีเคราะห์อยู่อย่างหนึ่งนะคือเป็นอัมพาตนะเดินไม่ได้ตั้งแต่เล็กเลยพ่อแม่ก็ทุกข์มาก เราก็ดูแลแล้วก็ประงมลูกสาวอย่างดีมีคานึงเนี่ยลูกสาวก็อายุสักสิบขวบได้นะก็พาลูกสาวไปพักผ่อนที่ชายทะเลไปนอนพักที่บ้านของกัปตันเรือเดินทะเลนะก็บ้านก็สะดกสบายดีเพราะว่ากัปตันกับพ่อแม่ก็เป็นเพื่อนกัน แต่ว่ากับตันเนี่ยไม่อยู่บ้านนะออกทะเลก็มีแต่เมียเมียเขาก็ต้อนรับขับสูดีนะแล้วก็ช่างเจรจามีช่วงหนึ่งเขาก็เล่าให้เด็กหญิงฟังนะว่ากับตันเนี่ยมีชอบสะสมนกนะเลี้ยงนกไว้หลายชนิดแล้วก็เธอกับพนานาถึงนกแต่ละชนิดซึ่งมัน ไม่ค่อยมีนะหายากเพราะมันเป็นนกในประเทศอื่นโดยเพราะจากทวีปอื่นนะเช่นแอฟริกาเอเชียแล้วเธอก็พูดถึงนกชนิดหนึ่งนะชื่อว่านกปักเีสวรรค์พันา น, านานกชนิดนี้ไอย่างจดจ้อยเลยว่าสวยงามมากร้องก็เพราะเด็กหญิงฟังก็เกิดความตื่นตาตื่นใจนะอยากจะเห็น แต่ว่านกตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในห้องของกัปตันในเรือกัปตันนี่ยังยังกลับมาไม่ถึงบ้านถ้าอยากเห็นนะก็ต้องรอไม่กี่วันต่อมานะังกัปตันเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านจอดเรือไว้ไม่ไกลนะเด็ยกยิงก็อยากจะเห็นนกปักสีสวรรค์นะปบเราให้ พ่แม่นี่พาไปพาไปขึ้นเรือของกัปตันก็ต้องอุ้มไปนะมีพยาบาลส่วนตัวนี่อุ้มนะเด็กคนนี้เนี่ยขึ้นเรือเพราะเป็นอัมพาตขึ้นไปบนเรือแล้วบอกว่ากะลาสีไม่อยู่นะก็คงอยู่ที่ไหนสักแห่งนะั้นในเรือนะั่นแหละก็เลยเอากัปตันไม่อยู่นะกัปตันไม่อยู่ในอยู่บนดาดฟ้าก็เลยให้คนไปตาม แต่ระว่งที่ตามเนี่ยเด็กหญิงเนี่ยเ้อก็อดรนทนไม่ไหวนะอยากไปดูด้วยตัวเองเลยไม่ต้องรอ ก, กับตันแล้วก็เลยไปเรียกกะลสีมาให้ช่วยพาไปที่ห้องกับตันหน่อยอยากเห็นนกปักสีสวรรค์ก็มีกะลสีคนนึงนะอาสานะจะพาไปเพอเด็กหญิงรู้นะว่าะกะลาสีคนนี้จะพาไปดูนกปักสีสวรรค์นะเธอลุกขึ้นมาได้เลยนะลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เลยแล้วก็เอามือเนี่ยจับจับมือ จับมือกรลาสีแล้วก็เดินตามไปอย่างช้าๆเพราะว่าเด็กเที่มาผ่านมานานนับสิบปีตั้งแต่แรกเกิดก็ว่าได้นะอยู่ดีๆก็เดินขึ้นมาได้เลยเดินได้แล้วก็หายจากกรรมภาพาเลยนะและที่เดินได้เนี่ยเพราะว่าอยากเห็นนกปักสีสวรรค์และพอได้เห็นนะก็ดีใจมีความสุขนะสามารถจะเดินได้ต่อนะ ว น, นี่น่าทึงมากอยยิงคนนี้ตอนหลังก็เป็นนักเขียนนิยายที่มีชื่อมากนะของสวีเดนอ่านี่ก็เป็นเรื่องของอนุภาพนะของความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เพียงแค่ได้นึกถึงนะนกที่น่ารักมันก็ทำให้เกิดกำลังใจนะทำให้เกิดไฟนะที่อยากจะเห็นอยากจะสัมผัสอยากจะได้ยินเสียงร้องนะ่ะ นี่ขนาดยังไม่ได้มีความผูกพันกันมากนะถ้าผูกพันกันมากเนะ่ยเพราะเลี้ยงมาเนี่ยอย่างเช่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยนะมีเพื่อนไายเหงาอยู่มันช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่หายเครยียดอย่างเดียวนะบางทีหายซึมเศร้าไปเลยนะหลายคนก็หายซึมเศร้าได้เพราะเลี้ยงแมวเอามีคนเอามาให้เลี้ยงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ เราควรเห็นคุณค่านะแล้วก็ถ้ารู้จักเอามาใช้เป็นประโยชน์นี่มันก็บำรุงจิตใจได้